ผมซื้อรถคันนั้นมาจากเต็นต์ขายรถมือสองแถวบางนาไเอเม็มเงเจ้าของเต็น์เป็นเพื่อนกันกับผมมาตั้งแต่เด็กๆวิ่งมาหก0 0ื่นกว่าก็จริงแต่ว่าสภาพยังดีเจ้าของมันร้อนเงินว่ะขอ3า0 0 0นสกูไม่เอากำไรมึงแม้แต่บาทเดียวเอเ็มเงว่าแต่ว่าเงินจำนวนขนาดนี้ก็นับว่าหนักนาะสำหรับเซลแมนที่เพิ่งจะทางานอย่างผมต่อขหน่อยสิว่าเงินมีไม่พอว่ะกูมีอยู่แค่ส 0,000 เอง